สำหรับหลายคนที่พูดถนอ น, น้ำใจกันไม่เป็นการเลิกราหรือหย่าร้างคือทางเดียวที่จะเอาความภูมิใจในตัวเองกลับมาไม่ภูมิใจในตัวคนรักก็ยากจะภูมิใจในชีวิตคู่ไม่ภูมิใจในชีวิตคู่ก็ยากจะภูมิใจในตัวเอง แม้ว่าจะเคยภูมิใจในหน้าตาเกยียรติยศทางการงานเพียงใดอย่างไรก็ต้องเศร้าหมองรู้สึกห่อเหี่ยวลึกๆอยู่ดีแต่สำหรับบางคนแม้ภูมิใจในตัวคนรักและภูมิใจในชีวิตคู่แต่คนรักไม่ปลื้มตนสักเท่าใดในระยะยาวความไม่ปลื้มนั้นก็จะแปลเป็นความกดดันหน้าอึดอัด ผ่านสีหน้าแววตาคำพูดและกระแสทางใจที่กระแทกใจกันโดยมีเหตุสามัญในแต่ละวันเป็นตัวล้วงความในใจออกมาตีแผ่จึงไม่นา่าแปลกที่ความภูมิใจในตัวเองจะถูกบีบให้เล็กลงเรื่อยเรื่อความภูมิใจในตัวเองเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนส่วนใหญ่ และคนส่วนใหญ่ก็มักไม่อยากทนหรือทนไม่ได้นานกับการต้องดูถูกตัวเองหรือโดนดูถูกจากคนอื่นหลายคนแค่ไม่ภูมิใจในชีวิตคู่ส่วนลึกก็แกล้งสร้างเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นมาเพื่อจะได้แตกกระจายหายกันไปแล้วความภูมิใจในตัวคนรักจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อเลือกคนรัก ต้องดูใจตัวเองให้ดีว่าคุณปลืม้มคุณภูมิใจในเขาหรือเธอบ้างหรือเปล่าขอให้เตรียมใจรับความจริงไว้ล่วงหน้าว่าความสนิทชิดเชื้อจะเป็นเหตุให้เห็นข้อบกพร่องและเกิดเรื่องน่าขัดใจต่างๆนานาซึ่งจะบั่นทอนระดับความภูมิใจลงได้ครึ่งหนึ่งหมายความว่าถ้าเริ่มต้นเคยภูมิใจมากอยู่ด้วยกัน มีสิทธิ์ลดลงมาเป็นภูมิใจน้อยแต่ถ้าเริ่มต้นภูมิใจน้อยหรือไม่ภูมิใจเลยอยู่ด้วยกันก็มีแนวโน้มจะนึกดูถูกมากขึ้นทุกวันในทางกลับกันอย่าสำรวจความปลืมของตนฝ่ายเดียวดูดีๆ ด, ด้วยว่าเขาหรือเธอลืมคุณไหมหรืออย่างน้อย มีแนวโน้มว่าจะปลื้มขึ้นเรื่อยๆบ้างหรือเปล่าความปลื้มที่พอดีกันหรืออย่างน้อยไล่เลี่ยกันจะดนใจให้นึกอยากทำอะไรดีๆต่อกันหรือกระทั่งบันดาลกระแสสุขขึ้นมาในอากาศรอบตัวเมื่ออยู่ใกล้กันความรู้สึกไม่ปลืม้มแกล้งเปลี่ยนให้เป็นปลื้มได้ยาก ถ้าจะทำต้องสร้างเหตุอันเป็นของจริงด้วยกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำอยู่คนเดียวไม่ได้เช่นอาจเริ่มจากแปลงความโกรธให้เป็นอารมณ์ขันตอนขัดเคืองตอนไม่พอใจเล็กๆก็ฝึกพูดให้เป็นเรื่องคำด้วยกันรื่นรมด้วยกันแทนการถือโอกาสพูดทิ่มแทงกัน ข, ข่มขีกันหรือตอนเกิดความผิดพลาด ตอนใครถ ล, ลม่มล้มก็หัดพูดจุดดึงกันให้กำลังใจกันแทนการพูดทำลายกำลังใจกันเหยียบย่ำกันคำพูดต่อไม่พอใจกันหรือตอนใครพลาดลม้มเป็นสิ่งที่พลิกความรู้สึกได้ทั้งเขาทั้งเราแม้อาการแอบคิดไม่ดียังฝังตัวอยู่หลายจุดก็จะค่อยๆถอดถอน ผ่านวันผ่านคืนที่รู้จักพูดถนอมน้ำใจได้ถึงแม้ไม่อาจากแกล้งภูมิใจแต่ก็เต็มใจที่จะพอใจในคู่ของตนบ้างอย่างน้อยไม่ต้องเฝ้าคอยหันไปเทียบเคียงกับคู่ที่เขาดูดีมีความน่าภูมิใจกว่าให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนากันความรู้จักพูดถนอมน้ำใจ เป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับความรู้สึกมันเป็นกุญแจที่ต้องสร้างเอาไม่ใช่รอรับจากใครหรือสแสวงหาจากไหนอันเฟรนแฟนเก่าใจดำหรือทำใจ ชีวิตรักของแต่ละคู่ไม่ใช่อะไรที่ตายตัวไม่ใช่อะไรที่ต้องเหมือนเหมือนกันไปหมดบางคู่อยู่กันอย่างศัตรูขณะที่บางคู่จากกันอย่างมิตรบางคู่คบกันชันจู้สาวอย่างเดียวถ้าไม่เป็นคู่รักก็ไม่เป็นอะไรกันเลยขณะที่บางคู่คบกันหลายมิติแม้ไม่เป็นคนรักก็เป็นคนที่รักกันดีด้วยความสัมพันธ์แบบพี่น้อง แบบเพื่อนแบบญาติปัจจุบัน Facebook และโซเชียลมีเดียทำให้ความสัมพันธ์ฉันคนรักมีความซับซ้อนถึงกับมีงานวิจัยว่าสำหรับคู่ผัวตัวเมียทั่วไปที่คิดมากได้ง่ายๆนั้นถ้าอยากให้ชีวิตสมรสราบรื่นก็อย่าเป็นเฟรนต์คืออย่าเป็นเพื่อนกันในเ c e b o o k กันเลยดีกว่า หรือถ้าเป็นเฟรนกันแล้วก็ให้อันเฟรนซะเพื่อจะได้ไม่ต้องบังเอิญเจอสิ่งที่ไม่อยากเจอหรือกระทั่งเจอดีในสิ่งที่ชวนให้คิดเองเออเองทำไมเธอเขียนอย่างนั้นมันว่ากระทบเราหรือเปล่านะก็ขนาดเป็นคู่กันอยู่ถ้ารู้ตัวว่าเป็นพวกอดคิดเล็กคิดน้อยไม่ได้เขายัางแนะให้อันเฟรนซะ จะได้ไม่ต้องมีปากมีเสียงกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วคู่ที่เลิกกันละ่ะควรฝืนเป็นเฟรนต่อหรืออันเฟรนให้จบจบดีความหมายของเฟรนในเฟ e b o o k หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆพิสูจน์ตัวเองได้ก็ตอนมาถึงจุดนี้จุดที่ในโลกความจริงตกลงว่าเลิกเป็นแฟนกัน เลิกเป็นแฟนแล้วเลิกเป็นเพื่อนด้วยไหมถ้าเลิกเป็นแฟนแต่ยังรู้สึกว่าต้องคอยตามส่องต้องรู้ในสิ่งที่ไม่อยากรู้ต้องเห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็นเหมือนแกล้งตัวเองให้เจ็บจี๊ดไปวันๆหรือเสี่ยงให้ตัวเองใจสลายตอนพบรูปชวนปวดแสบปวดร้อนเดือนไหนก็ไม่ทราบแบบนั้นไม่ต้องคิดมากให้อันเฟรนไปเลย อย่าต้องรับรู้อะไรเลยดีกว่าแกล้งทำเป็นหลอกตัวเองบอกคนอื่นว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่ทั้งที่แท้เป็นพวกจบไม่เป็นชีวิตคู่จบอารมณ์ไม่จบอากุศลธรรมไม่สิน้นแต่ถ้าเลิกเป็นแฟนกันเรายังช่วยเหลือกันได้พูดคุยกันดีๆได้ ความรู้สึกเหมือนถอดขนยักษ์ลิงลวงตาออกเหลือเพียงใบหน้าแท้จริงที่ยังคงยิ้มย้มให้กันอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีเหตุผลอันใดให้ต้องอันเฟรนกันสิ่งที่ผ่านไปเป็นแค่บันไดให้เริ่มต้นรู้สึกดีต่อกันด้วยความสัมพันธ์และระยะห่างที่ถูกต้องเท่านั้นในความเป็นพุทธ การใช้ชีวิตอย่างมีกุศลจิตทุกวันมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเหนือกว่าการอ้างว่าห่วงใหญ่อยากให้ได้ดีเหนือกว่าการหวังว่าจะได้ดูวิบากกรรมของคนเหนือกว่าการหลอกตัวเองด้วยสารพัดข้ออ้างพอเลิอกอ้างเลาหันมาทำชีวิตให้เป็นกุศลคุณจะอันเฟรนอย่างมีสติมีเหตุผล และมีคำอธิบายที่ชัดเจนให้ตนเองตลอดไป